เต็มไปอยู่แปร่เต็มแพร่อยู่ในหัวใจกิเลสเกาะอยู่ในหัวใจของใครหัวใจดวงนั้นนมืดตึบ๊บไม่มีความสว่างสวยไม่มีความปลอดโปรง่งไม่มีความเบา อ, อกเบาใจไม่มีความสุขหละไม่มีความช่มชื่นเบิกบานแหละมันจะช่มชื่นเบิกบานได้ยังไงอ่ามันเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งก็ราคะ มันพลิกไปอีกอย่างหนึ่งกับโทสะมันพลิกไปอีกอย่างหนึ่งกับโมหะราคะความรักใคร่ความกำหนัดความยินดีเมื่อจิตมีความรักใคร่มีความกำหนัดมีความยินดีและจิตก็แสวงหาแสวงหาดิ้นรนหาไขวคว้าหา ในระหว่างที่หานั่นแหละนั่นแหละคือทุกข์แล้วแหละหาได้ง่ายก็ทุกข์หาได้ยากก็ทุกข์หาได้ช้าก็ทุกข์หาได้เร็วก็ทุกข์เพราะมาสนองทุกข์ความอยากนั่นแหละเป็นกิริยาของทุกข์ตัณหาคือความทะยานอยากความอยากของจิตนั่นแหละคือตัวตัณหาจิตมันอยากยังไงเราดูออกไหม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 ตัณหามันเกิดขึ้นจากอะไรตัณหามันเกิดขึ้นจากอะไรตัณหามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตของเราเรามีจิตด้วยกันทุกคนคนละดวงละดวงละดวงตัณหามันเกิดมาพร้อมกับจิตนี่แหละเกิดมาตั้งแต่กับกัปรบรชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้ว่าแต่เราบัติขึ้นมาแล้วเรามีจิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย เรามีตัญหาเกิดขึ้นมาด้วยเลยมันลผลิตผลเป็นผลเป็นผลธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเหตุว่าเราได้จิตเราได้ธาตุรู้เราได้ผู้รู้มาด้วยกันทุกคนแต่ผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ก็คือมันปนเปื้อนมันแปดเปืเป้อ น, น, นมากับกิเลสตัวนี้แหละพระเจา้าท่านจึงทรงตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชา เบื้องต้นเบื้องต้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่ไม่ปรากฏอวิชชาเบื้องต้นไม่ปรากฏเบื้องปลายปรากฏไหมอวิชชาเบื้องปลายปรากฏต่อเมื่อนู่นแหละอรหาัตามรักษนั่นแหละเพื่อที่จะก้าไปสู่อรหตัตผลอวิชชาก็หมดไปจากหวัวใจอวิชชาตัวนี้แหละ เป็นสิ่งที่แทรกอยู่ในจิตซึมอยู่ในจิตของเราทําให้จิตของเราเศร้าหมองสแสดงกิริยาออกมาให้รักบ้างอวิชชากับตัณหาก็อันเดียวกันอวิชชากับโทสะกันเดียวกันอวิชชากับโมหะกันเดียวกันความหลองอิจฉาทิษยาอะไรอะไรกับอันเดียวกันกับอวิชชาคือโมหะก็เพราะมันไม่รู้นั่นแหละ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 ที่เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันด้วยเหตุที่เราไม่รู้เท่าเราไม่รู้ทันพอตาเห็นรูปปั๊บความนึกคิดปั๊บปั๊บป๊ป๊หน้าเกิดราคะเกิดกำหนัดเกิดยินดีเกิดพอใจเกิดพึงใจ้มันไม่มีมันไม่มีตัวรู้ไม่มีผู้รู้แต่ถ้ามีผู้รู้กำกับมีสติกากับมีสัมปชัญญะกำกับมีผู้รู้กากับ หมายความว่าจิตดวงนั้นเนี่ยโร่ไปด้วยไปด้วยวิชาะจิตดวงนั้นเนี่ยเป็นจิตที่สว่างสวายโร่ไปด้วยวิชาราคะก็เกิดไม่ได้อวิชาถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับความสว่างความสว่างมีอยู่ในที่ใดอสรพิษมักจะไม่ค่อยอยู่ในที่นั้น ความมืดมืดทึบทึบอยู่ในที่ใดอสสรพิษมันมักจะแฝงตัวอยู่ในที่นั้นความมืดทึบในหัวใจของเรากิเลสมันแฝงตัวอยู่แต่ถ้าจิตเราโรรไปด้วยสติด้วยสัมปชัญญะประกอบความภาคความเพียรมีสติดีมีสัมปชัญญะดีมีปัญญาดีมีความรู้เท่ารู้ทันดี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 ไม่ทันกิเลสนะพวดพลาดมันออกไปก่อนแล้วพวดพลาดมันออกไปก่อนรู้ไม่เท่ารู้ไม่เท่ากิเลสไม่ทันมันรู้ไม่ทันมันรู้ไม่เท่ามันด้วยเหตุที่เรารู้ไม่เท่ามันเรารู้ไม่ทันมันพวดพลาดมันก็ออกก่อนแล้วอวิชชาออกก่อนแล้วพวดพลาดอวิชชาออกก่อนแล้วอวิชชาออกก็คือตันหาออกตันหากับกิเลสกันเดียวกัน ตัณหากับราคะกับโทสะกับโมหะการเดียวกันกิเลสตัณหาอาสวะมานะทิฏฐิอวิชฌานอันเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันก็คือสรุปรวบยอดรวบยอดรวมยอดของมันก็คือตัวอวิชฌาความโง่ของจิตความโง่ของใจปัญญาเราไม่ทันปัญญาเราไม่เท่า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 ฮิริโอตปะไม่ดีความตื่นเนื้อตื่นตัวไม่ดีเพราะเราไม่รู้เท่าทันมันมีแต่ความมืดมาคลื่นมาบดมาบังในหัวใจของเราอันนี้เป็นหลักธรรมชาติมีดังมาดังเดิมด้วยกันทุกคนใครจะมีอวิชชามากใครจะมีอวิชชาน้อยใครจะมีโมหามากใครจะมีโมหาน้อยอ ย่อมผ่านการฝึกฝนอบรมมาด้วยกันคนที่มีมวิชาน้อยคนที่มีโมหาน้อยคนที่มีปัญญาดีมีสติดีมีสมชิชญยะดีเพราะเคยฝึกฝนอบรมมาแล้วแต่เบื้องต้นเราได้มาเหมือนกันได้มาด้วยกันได้มาถ้าทูเราได้มาพร้อมกับกิเลสได้มาด้วยอ่ามันก็ครุกคลีตีมองอยู่กับโลกนี้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 ก็มีสมาธิเหมือนกันอหรือศีชีไพรก็คือลทัทธินอกศาสนานั่นแหละอพอเวลามาประพฤติมาปฏิบัติบุญญาบา ร, รมีแก่กล้ามันก็มาบำเพ็ญมาบำเพ็ญแล้วก็ได้ตัดสรูธ้ธรรมแต่ก็เริ่มเหตุเริ่มผลเริ่มต้นต่อมาจากนั้นแหละเหมือนกับอุทกดาบทอาราดาบทนั่นแหละเป็นฤาษีนบำเพ็ญอยู่ในป่า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 เราดูออกไหมเราดูไปที่จิตของเราอะคือความอยากมันกระดุกกระดิกพลิกแผลงออกมาทีไรเมื่อไรตอนไหนนั่นแหละคือความอยากมันแสดงออกมามันอยู่ในหัวใจของเราเราย้อนมาที่หัวใจของเราเราจะเห็นเราเห็นความอยากหัดดูให้มันเห็นหัดดูให้มันเห็นความอยากทีแรกเราก็ไม่ค่อยทันมันดอกตาเห็นรูปความอยากมันแสงหน้าไปก่อนแล้วเกิดราคะเกิดตัณหา หูได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงมันแสงเข้าไปก่อนแหะความอยากมันแสงก่อนก่อนไปหละมันรวดเร็วพวดพราดไม่มีสติไม่มีสัมผัจันญร์อยู่กับเนื้อกับตัวละเพราะเราไม่ทันมันที่วัติเรารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันเราก็กันไม่ได้เราก็แก้ไม่ได้รู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันเราก็กันไม่ได้เราก็แก้ไม่ได้ตัณหาเกิด ตัณหาเกิดเนี่ยมันชวนเคลิบในหัวใจขอเรานะเพราะรสชาติของตัณหามันอร็ดอร่อยในหัวใจตัณหาของหัวใจของเพศใดของภาวะใดเหมือนกันหมดเวลามันยอมไปที่จิตเนี่ยมันจะได้รับความเร่าร้อนเหมือนกันหมดแต่ด้วยเหตุที่เราติดสิ่งเหล่านี้เราว่านั่นแหละคือรสชาติของความสุข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 เป็นรสชาติอันอร็ดอร่อยมัดจิตมัดใจของสัตว์ให้ตกค้างอยู่ในโลกคือเจ้าความอยากนี่แหละอย่างที่ท่านเรียกว่ากามสุกกามสุกในมนุษย์โลกของเราคือกามสุกที่เราปล่อยให้จิตของเราเพลินไปกับรูปเพลินไปกับเสียงเพลินไปกับกลิน่นกับรสกับสัมผัสเนี่ยกามสุกในโลก กามาสุขที ground, Them, ่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือการมาสุขบนสวรรค์บนสวรรค์นะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นใดก็ตามไปเสวยกามาสุขอยู่บนนั้นแต่กามาสุขบนสวรรค์ก็ไม่เท่ากันนะชั้นนี้มีความสุขระดับนี้ชั้นนี้มีความสุขระดับนี้ชั้นนี้มีความสุขระดับนี้ชั้นนี้มีความสุขระดับนี้ความสุขจะไม่เท่ากันเป็นไปตามเป็นไปตาม พลังของจิตที่ฝึกฝนอบรมได้นั่นแหละคือคือกามสุขเต็มแพร่อยู่บนสวรรค์เพราะฉะนั้นบนสวรรค์เขาอยู่ด้วยความเพลินเพลินไปกับกามท้าเรียกว่ากามสุขกามสุขรูปก็เป็นรูปทิพป์เสียงก็เป็นเสียงทิพป์คำว่าทิพป์ก็คือสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดะถ้าเป็นอาหารก็โอ้ยยิ่งกว่ารสชาติของชูรสซะอีกอืยิ่งกว่ารสชาติของชูรส ปรุงปนโอ้ยถูกลิ้นถูกลิ้นถูกปากถูกอะไรใส่มันก็โกยเอาโกยเอาโกยเอาจิตใจเต็มแพร่ชุ่มช้ำ ด, ด, ดูดืดมอยู่ในนั่นนั่ น, น, นแเียกวากามาสุขกามาสุขกามสกามสุขที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็อยู่บนสวรรค์นั่นแหละใครติดในกาอยากสมบูรณ์ด้วยกามาสุขพยายามบําเพ็ญให้ได้เป็นเทวดาจะไปเสวยกาอยู่บนสวรรค์ แต่ถ้าพระเราปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นเทวดาเนี่ยท่านว่าเป็นเทวปุตตมานการตั้งใจปรารถนาเพื่อไปเปิดไปเกิดเป็นเทวดาท้าเรียกว่าเทวปุตตมานเพราะอะไรเพราะเทวดามันมาขวางเราไว้แทนที่จะได้อัดได้ทําได้มักได้ผลมันไม่ได้กลายเป็นการทําความภาคความเพียรปรารถนาเพื่อได้เกิดเป็นเทวดา สิ่งเหล่านั้นมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นภพภูมิที่เราจะต้องไปเสวยกรรมถ้าเราเก้าวไปไม่พ้นถ้าหากเราเก้าวไปไม่พ้นเราก็ต้องตกใส่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราเก้าวไปไม่พ้นเราก็ต้องไปเกิดในภพภูมิเหล่านั้นเพราะภพภูมิเหล่านั้นแหละคือพื้นเพจริตนิสัยที่เราฝึกฝนอบรมได้เทวดาบนสวรรค์ ส่วนชั้นจาตุ้มดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรินิมิตวสวัดีชั้นพรมไปดูพรมพรม1ิบชั้นอ่ะไปดูไปอ่านดูพรอมพรมว่ะปริศจพระมปารโหตามหาพระมาไปดูพรมไปดูในธรรมจักรท่านเอา ชั้นพรมต่างๆมาส่วนไปอ่านดูสิงเหล่านี้มันเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปตามภพภูมิของจิตเปลี่ยนไปตามพื้นเพของจิตเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของจิตเรา จ, จะเป็นสวรรค์ได้สวรรค์ชั้นใดก็ตามชั้น สวรรค์หกชั้นชั้นสวรรค์พรหมโลกสบหกชั้นก็ตามแต่ถ้าเรายัางไม่ได้อริยะธรรมเราก็สับสนปนเปนกันอยู่ในภพชาติเหล่านั้นเสื่อมหมดสภาพจากชั้นนั้นก็ตกลงมาชั้นนี้หมดสภาพจากชั้นนี้ก็ตกลงไปชั้นนั้นหมดจากสภาพบนสวรรค์ก็ตบมาเป็นบนมนุษยโลกเสื่อมสภาพจากมนุษย์โลกนู้นไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน เสื่อมตําความเสดิริชันไปอีกนู่นไปเป็นอเวจีสัตว์นรกหนอนพรภูมิของคนของสัตว์สับเปลี่ยนปนปนปนเปนกันอยู่นี้ใหไม่จบไม่สิน้นอันสืบเนื่องจากผลิตผลของจิตอันสืบเนื่องจากผลิตผลของตัณหาภายในจิตนี่แหละอันสืบเนื่องมาจากความอยากภายในจิตนี่แหละอันนี้แหละคือตัวอย่างเหนียว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 ตัณหาเป็นพืชเป็นยางเหนียวของพืชกรรมเป็นเนื้อนากรรมเป็นเนื้อนาวิญญาณคือจิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนพืชตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตเนี่ยเหมือนยางเหนียวของพืชเขามายางเหนียวก็คือยอดอ่อนของพืชนะแหละ เป็นมเมล็ดพืชคือเป็นมเมล็ดพืชที่ยังสมบูรณ์ได้อุณภูมิดีได้ดินดีได้น้ำดีได้อุณภูมิความอบอุ่นดีพร้อมที่จะพร้อมที่จะแทงยอดอ่อนออกมาเหมือนยอดของพืช ย, ยอดยอดเหมือนยอดอ่อนของมะม่วงน่ะะมะม่วงมัน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 ตันหาภายในจิตเหมือนยอดอ่อนของพืชพืช น, นั้นๆจะไปเจริญงอกเงยเจริญงอกงามพืชเหล่านั้นจะต้องมียอด อ, อ่อนยางเหนียวภายในหัวใจของเราคือตันหานี่แหละเป็นยอดอ่อนของพืชตราบใดที่พืช น, นั้นหมดยางเหนียวหมดยอดอ่อนพืชเหล่านั้นก็เป็นพืชที่หมดความเจริญงอกเงยเจริญงอกงาม ถ้าเป็นมะม่วงกับเหมือนมะม่วงเม็ดมันเน่าแล้วนะเม็ดมันด้านแล้วมันไม่ออกแล้วถึงจะไปอยู่ในดินดีอากาศดีอบปุ่ดีเย็นดีขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่มีอะไรเจริญเงาะเงยเจริญเงอกงามขึ้นบาดจิตของเราที่มันไปโผล่ที่นู่นบ้างไปโผล่ที่นี่บ้างเหมือนกับเมล็ดพืชมันถูกลมปลิวไปเกิดตรงนั้นบ้างไปเกิดตรงนี้บ้างนะ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 ตันหาเป็นยางเหนียวของพืชเราดูอุปมานี้ในหัวใจของเราเราจะรู้ว่าโอ้กรรมของเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนกันดินถ้าเราจะเทียบว่าจิตของเราแต่ละดวงแต่ละดวงแต่ละคนแต่ละคนเหมือนต้นไม้เหมือนต้นพืชจิตดวงนี้จะไปเกิดได้มันไปเกิดได้ตามอำนาจของกรรมแล้วก็ไปเกิดได้ตามอำนาจของตันหาที่มีอยู่ภายในจิต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 ตัหาหมดไปจากจิตแล้วจิตดวงนั้นไม่มีตันหาจิตด ว, ดวงนั้นไม่มีอวิชชาจิตดวงนั้นไม่มีตันหาจิตที่ไม่มีตัหาก็คือจิตที่หมดราคะหมดโทสะหมดโมหะเป็นจิตสว่างสวยโรเป็นหนึ่งเดียวดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลเวลาดับขันอนุปาทิเศ ส, สนิพาน ชีพชีวิตดับด้วยกิเลสก็ดับด้วยนะท้าเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานขันธ์ทั้ง5้าก็ดับกิเลสภายในจิตก็ดับเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ดำรงตนอยู่ในภาวะอย่างนั้นตลอดอนันตการคำว่าอนันตการคือไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างโลกมนุษย์เนี่เราถือว่าสถานที่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 เท่านั้นหมื่นปีทิพย์เทานั้นล้านปีทิพย์เทานั้นกลับแปดมื่นสี่พันกลับทิพย์เนี่ยสถานที่มันจำกัดอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเพราะหมดหมดก็ตกตกุตก๊บลงไปตามบุญนตามกรรมที่ยังตกค้างเหลืออยู่ทำให้เราวนเวียนอยู่อย่างนี้ลไม่จบท่านจึงเรียกว่าวัดตะสงสารวัตะสงสาร วัตถสงสารหรือท่เรียกว่าวัตตะวนันวัตต ว, วัตวนวัตตวันสิ่งเหล่านี้เราจะตอกกนได้อย่างไงเราจะทําให้สิ่งเหล่านี้เบาบางไปได้ไดอย่างไงเราจะทําให้เรารู้สึกตื่นเนื้อตื่นตัวกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรพุทธเจ้าธนุบัติมาด้วยเหตุที่พระองค์สร้างบุญญาบา ร, รมีเต็มเปี่ยมบรรลุธรรมด้วยเรี่ยวแรงของพระองค์เองอจะได้เอาธรรมะเหล่านี้มาสอนเวยียนนัยสัจ ตัง้งศาสนาถึงพร้อมด้วยภิกษุภิกษุณีบาสุกบาสิกาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ปรินิพานไปพระสงฆ์สาวก็กสืบศาสนาสืบช่วงต่อมา ด, ดําเนินตามหลักตามหลั ก, ลกอริยสัจสี่ 8, ดำเนินตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดําเนินตามหลักปฏิจจสมุปบาท12ตามหลักที่ท่านสอนให้เราบําเพ็ญ ให้ครบวง์จรทานเอ่ยศิลเอ่ยภาวนาเอา่ยสมถภาวนาวิปัสนาภาวน า, า, ว น, านี่เลยเป็นข้อปฏิบัติในพระศาสนายนย่อมาอย่างนี้เอาสิ่งเหล่านี้มาประพฤติเอาสิ่งเหล่านี้มากำกับเพื่อปฏิบัติให้เกิดการสงบระงับจากพบจากชาติที่ยาคายทารุณชั่วช้าลาโม มาเป็นพบชาติที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นประณีตขึ้นมีสินมีทรรละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นการให้ทานก็เป็นเหตุให้เราได้พบชาติละเอียดขึ้นประณีตขึ้นตั้งใจรักษาสินทําให้เราได้พบชาติละเอียดขึ้นประณีตขึ้นการตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบมันละเอียดหรือไม่ละเอียดเราดูไปที่เวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยจิตเรามันอยู่จิตเรามันนิ่ง จิตเรามันสงบมันละเอียดไหมมันประณีตไหมมันไม่สับสนมันไม่วุ่นวายมันเบาสบายมันโปร่งเกิดความรู้อ่ะเกิดความรู้สว่างโรอดเป็นหนึ่งเดียวเราทรําจิตของเราให้ได้รับความสงบสิ่งเหล่านี้เราต้องเอามาฝึกมาฝนมาอบมารมมาขัดมาเกลาถ้าไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่ตั้งใจฝึกหัดดัดแปลงมาอบมารมมันก็ สิ่งวันนี้มันก็ไม่ไม่ถูกชะไม่ถูกล้างการตั้งใจฝึกฝนอบรมนั้นเป็นการมาขัดเกลียอัจฉริยใสายจริตนิสัยของตัวเองอันนี้เป็นต้นเหตุเป็นต้นทางอ่าเป็นต้นทางเป็นทางดําเนินเป็นข้อปฏิบัติเป็นปฏิปทาที่เราควรเดินไปตามนี้อุทยญาติท่านสอนให้เราเดินไปตามนี้ครูบาอาจารย์ตั้งหลายสอนให้เราเดินไปตามนี้ เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตหมดจดจากอะไรก็มหมดจดจากกิเลสตัณหานั่ยแหละหมดกิเลสก็คือหมดตัณหาหมดตัณหาก็คือหมดกิเลสเราพูดอย่างนี้เหมือนเวลาพูดลอยๆเราดูไปให้เห็นตัณหาในหนัวใจของเราเรานั่งดูเดี๋ยวนี้เรานั่งดูตัณหาคือกิริยาของมันคือความอยากความอยากในใจของเราเราดูเถอะ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 สงบจนเห็นตัณหามันเกิดมันดับเกิดดับเกิดดับเปียโนใจของเรามันเกิดมาใกล้ทันมันตัณหาโผล่ขึ้นมาปั๊บก็ทันนันที่แรกไม่ค่อยจะทันดอกอ่าที่แรกไม่ค่อยไม่ค่อยจะทันถ้าไม่จ่ไม่ตั้งใจฝึกฝนจริงๆจะไม่ทันจะไม่ทันเพราะมันเหนียวแน่นมั่นคงมากมันเป็นเจ้ามันเป็นจอมของวัฏจักรอย่างแท้จริงมันมีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอํานาจมาก มันมีอนุภาพมากมีมากขนาดไหนมีมากขนาดมัดเราอยู่ในโลกได้เ ห, ไหมไม่อยากไปจากโลกอยากติดค้างอยู่ในโลกโลกนี้อร่อยอร่อยเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินมีความเพลินใจเหลือเกินน่าอร่อยเราตายช่างมันตายยังช่างมันติดค้างอยู่ในโลกนั่นมันเยื่อใ่ถึงขนาดนั้นถ้ามันไม่มีอำนาจถึงขนาดนั้น มันไม่สามารถจะทําทให้สัตว์หมกอยู่ในโลกได้ตกค้างอยู่ในโลกได้พวกเรากพ้นทุกขพ้นโทษกันไปหมดแล้วแหละหมกอยู่ในโลกตกค้างอยู่ในโลกก็คือหมกอยู่ในกองทุกขตกค้างอยู่ในกองทุกขตกค้างอยู่ในหลุมที่ทารุณที่สุดเจ็บแสบปวดร้อนที่สุด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 เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิน่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องตัณหาเรื่องราคะเรื่องอิจฉาทิศยาปยาบาดสารพัดไม่ให้มันนึกมันคิดให้มันคิดอยู่กับสิ่งเดียวเรื่องเดียวคือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในระหว่างที่เราพุทโธพุทโธพุทโธนะตัณหามันค่อยแทรกออกมาเราค่อยดูมันสักหนึ่งมันโผล่มันโผล่มาละโผล่ละปั๊บออกมาและ แ, แสงหน้าเราน่ละเราหลงเคลิ้มไปกับมันอะตามมันละตามหลังมันต้อยต้อยต่อยโอ้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 มาหักมากินมาฉีกมาปอกมากัดมาอะไรอยู่นั่นแหละเราดูเลยลิงอ่ะเขาพอไปเจอสิ่งที่ดีเป็นผลไม้อะไรคนเก็บมามาปอกมาฉีกมากัดมาแทะมาอะไรต่าก็แล้วแต่มันจะทำนี่คือจิตมันดิ้นรนไปตามความทะเยอทะยานของอำนาจของตัณหาจิตนี้จะดิ้นรนจะอยู่ไม่เป็นผาสุขเพราะมันมีพลังคือตัณหาเราดู เราพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่พ้นที่ตัณหามันจะสอดแทรกสอดแทรกมาแล้วคอยดึงจิตของเราเนี่ไปไปไปสนองตามอำนาจความอยากของมันมันสนองสนอง ม, นมันสนองมันเอาไปไหนอ่ะมันติดอารมณ์รูปไปพานึกภาพคิดเ ร, รื่องรูปรูปผู้หญิงรูปผู้ชาย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 ร่างกายได้รับความปลอดโปรง่งเบาสบายม่อยู่กับความสุขของกายบ้างดิ้นรนไปดิ้นรนมาจิตไม่เป็นผาสุขนี่จะเรียกว่าจิตมันติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสจิตสัมผัสจิตเราต้องการให้เขาอยู่กับอารมณ์เดียวเขาก็อยู่ไม่ได้เขาดิ้นไปตามอํานาจของความอยากของตัณหานี่ยแหละท่านจึงใช้เราท่านจึงสอนให้เราใช้สติใช้สัมผชัญญะดํารงจิต ให้นิแน่นหนามั่นคงมีสติระ ล, ลึกได้เพราะมีสัมปชัญญะรู้ตัวพร้อมได้จงใจมีเจตนามีความจงใจดำริดำริสิ่งที่เป็นอารมณ์ทรรมขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธความรู้ก็อยู่ในพุทโธนี่แหละสติกากับพุทโธสัมปชัญญะกากับพุทโธความรู้อยู่กับพุทโธ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 มันก็จะเริ่มอิ่มมันอิ่มมันอิ่มนะลองว่าไปเรื่อยๆมันจะอิ่มนอกจากอิ่มแล้วมันที่เกียดไปบางทีได้รับความสุขได้รับความสุขจากปีติเช่นอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกเฮรู้สึกแผ่วเบาสบายทั้งอ่อนทั้งนิ่มทั้งเบาทั้งสบายทั้งโล่งในอกของเราเนี่ยพุทโธดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็มันติดมันติดอยู่อันนี้หลมัน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 เมื่อก่อนนั้นเราเอาพุโทโธมัดเอาไว้ไม่มันไปตอนหลังมามันเริ่มอิ่มอิ่มอิอิมอิ ม, ม, มเราไม่ต้องว่ า, าพุโทโธมันก็ไม่ไปเราปล่อยมันร่อยู่นี่แหละปล่อยมันก็ร่อยู่นี่ น, น, นี่เราฝึกเราฝึกมันถึงจะเป็นเราฝึกฝึกมันถึงจะไดนะ้ในเมื่อจิตเราไม่นึกไปตามเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่อ ง, องสัมผัสแล้วจิตของเร า, าก็ห่างจากอารมณ์ของกามอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของกาม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 เมื่อจิตโร่อยู่กับที่ก็ถือว่าจิตสว่างเมื่อเรามีความสว่างมีคบเพลิงอยู่ในมือของเราแล้วก็ส่องดูนู่นส่องดูนี้เพราะอะไรถ้าเราไม่ส่องดูสิ่งที่มันมืดมืดทึบทึบซึ่งเรามองไม่เห็นนะกิเลสตัณหาอาสตรพิษทั้งหลายก็มันก็มากบดานอยู่นั่นกบดานอยู่ตรงที่มืดทึบตรงนั้นมืดทึบตรงนี้อวิชชาตัณหาภายในจิตของเราก็เช่นเดียวกัน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 กิริยาของกรรมเป็นกิริยาของกรรมเป็นกิริยาของธรรมเป็นธรรมจริยาธรรมจริยานี้แหละมีสั จ, จะธรรมอยู่ในนี้มีสัจธรรมกำกับอยู่ในธรรมจริยาเหล่านี้แหละแค่เรามีธรรมจาริยาก็ทําให้เรางามเรามีขันติความอดความทนก็ทําให้เรางามเรามีโสรจความสงบเสงี่ยม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 ธรรมที่ทำให้เรามีความงามขันติโสรั จ, จะใหริโอตป ะ, ะเมตตากรุณามุริตาเปีคาความอุตสาห์ความขยันความหมั่นความเพียรความมีระเบียบความมีความระพฤติความมีมารยาทที่ดีที่งามเราก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละ นี่แหละคือความเป็นสริริความเป็นมงคลแก่กายของเราแก่วาจาจของเราแก่จิตของเราโดยแท้เราอยู่ท่ามกลางเวทีท่ามกลางทางเดินตรงนี้เราก็อยู่ยาอยู่อย่างงงงเซ่อเซไม่รู้จะไปซ้ายไม่รู้จะไปขวาม่รู้จะก้มไม่รู้จะเงยอยูอ่อยู่อย่างเซ่อเอซ่อสะไม่รู้ทิศไม่รู้ทาง ไม่ในง อ, อกตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมอยู่อย่างเก้งเก้งก่างก่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าเก้งเก้งก่างก่างขวางขวางข้อประพฤติขวางข้อปฏิบัติให้เราตกลงตรงใจทางนี้แหละเป็นทางเดินท่านสอนบอกท่านบอกว่านี่แหละทางนี้แหละไปทางนี้ไปทางนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนไปทางนี้ทางนี้ทางนี้พุทธเจ้าท่านสอนไปทางนี้นี้เราดูมือท่านเราไปตามนั้นแหละไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องมาต่อกอนกับท่านหลยไม่ต้องมาต่อกอนกับท่านบางคนน อ, อกจากชี้แล้วไม่ไปแล้วยังมาอารวาสกับผู้ชี้ให้อีกอ่าเป็นอย่างนั้นอเราดูด้วยกิเลสในหัวใจของใครมีมันก็ต้องต่อกลอนกับผู้ชี้แน่ๆแหลอะอแม้แต่ภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็ยังต่อกอนกับพระพุทธเจ้าคนดูทีเทวทัตตอกลอนกับพระพุทธเจ้าไหม พระพุทธเจ้าสอนนชี้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ยังปอวดเก่งกับท่านอีกใช่ไหมอวดเก่งอวดเคร่งกับพระศาสดาเราฟังดูแล้วนี่น่าละอายขนาดไหนนั่นคือสอนชี้ไปแล้วไม่ยอมไปตามมือที่ชี้ขวางหาเรื่องไม่ยอมไปหาเรื่องกับคนชี้นั่นในที่สุดก็ในที่สุดก็ตกกระป๋องไปเขาเรียกว่าตกล่องตกลู่ตกล่อง แทนที่จะไปตามรูที่ท่านชี้เอาไว้เนี่ยไม่ได้ไปไปไม่ได้นอกรูนอกล่องนอกคอกอ่านอกรูนอกคล อ, กองเหมือนน้องตาท่านว่าศีนเป็นเหมือนรั้วสองสองฟากสองข้างทางทําให้เราเดินไปตามเนี้ยมีมีศีนเป็นรั้วรอบขอบชิดเราไม่ต้องตกซ้ายเราไม่ต้องตกขวากับผู้ที่ชี้ไปแล้วไม่ยอมไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตกหน้าตา้หลังอ่าแทนที่จะไปข้างหน้าไม่ได้ไปละ ตกล่องตกหลุมตกล่องไปไม่ถึงไหนแล้วหนังๆเข้าก็หันหลังให้เดินไปท่านเลยก็ยิ่งห่างไปฉะนั้นเดินออกไปท่านก็ยิ่งห่างไปฉะนั้นจิตที่มันเดินออกห่างจากสัมมาทิฏฐิยิ่งเดินไปท่าไหลยเดินไปท่าไหรยเดินไปท่าไหลยมันยิ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิมากเข้าก็เมื่อก็เข้าสู่ที่มืดมืดมืดตึ๊บจนมองไม่เห็นอะไรมิจฉาทิฏฐิเต็มดวงบาปไม่มีบุญไม่มี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 วันที่สิวันที่19ก็เป็นวันปวาราณาเป็นวันปวาราณาออกพรรษาเนี่ยออกพรรษานี่ออกพรรษาออก็คือ90สวันสามสามเกวันสามเดือนไตรมาสสมเดือนไตรมาสซึ่งเราอยู่จาพรรษาในที่นี้ตลอดสามเดือนไตรมาสถ้าเราอยู่ด้วยการตั้งใจฝึกฝนอบรมขวนขวาย ประกบคุณงามความดีเอาอดเอาทําเข้าสู่หัวใจหัวใจของเราก็จะสว่างขึ้นเยอ ะ, อะสติปัญญาของเราก็จะเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นมากกลยียดในหัวใจของเราก็พอจะรู้หน้ารู้หลังรู้ลูกรูรรร้หลานมันบ้างความสุขความเจริญความทุกข์ในหัวใจมีมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็พอจะมองเห็นบ้างมอุตสายความความ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 ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยเป็นอากาลิโกทาที่ไรได้ทีนั้นทำที่ไรได้ผลตอนนั้นเมื่อ น, นั้นทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยตรงกันข้ามไม่ทำไม่ได้เลยนีพวกเรารู้ก่ใจอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรำ่ำอยากรวยอยากเป็นสริริอยากเป็นมงคลขอให้เรารวยบุญตัวนี้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 แต่ถ้าเราอยู่ด้วยการฝากฝืนนั่นแหะเป็นการเอาธรรมะมาฝึกกิเลสมีโอกาสาที่จะแพ้ธรรมธรรมมีโอกาสาที่จะชนะกิเลสได้รู้ได้เจ้าต่อสู้กับพบชาติมากับกันบุเรชาตินับไม่ถ้วนในสุดพร่องกับพ้นพบพ้นชาติผ่านพ้นไปได้ในสุดกิเลสยอมแพ้สิโรราพรองชนะไปได้หลุดลอยไปได้ ในที่สุดไม่ว่าการไหนไหนกิเลสต้องแพ้ทำวันยังค่ากิเลสต้องแพ้ทำวันยังค่าในระหว่างที่เรากําลังต่อกรอกันอยู่ตราบใดเราให้กิเลสเขากําลังมากกว่าเราก็ต้องแพ้กิเลสแต่ในขณะเดยียวกันรับตั้งเนื้อตั้งตัวได้เราพยายาฝึกฝนอบรมอัดทำขึ้นมาทําเพิ่มพูนทวีคูณ ข, ขึ้นกิเลสก็แพ้ทำได้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 หมดพหมดชาติแหละเก้าสุอราตผลก็พ้นละผลทุกพ้นโทษผลเกิดพ้นแก่พ้นเจ็บเจ็บพ้นตายพ้นพบพ้นชาติไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วผลทุกโดยเต็มที่ถึงบรมสุขอย่างเต็มที่นั่นเป็นสุดยอดปรารถนาอุดมกติของพวกเราอ่าวันนี้เอาแค่นี้ไปทําต่อหน้า อืม mm.